ดูสภาวะให้ชำนาญ น, นะถ้าไม่เห็นสภาวะธรรมภาวนาไม่ได้จริงเมื่อวานก็สอนอันนี้เมื่อวานใครมาบ้างฟังลเราไปทำบ้างไม่ทำแช่งให้จุดจีนะหลูพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรก็ลงมือทำเลย ไม่ถามมากนะไม่ถามไม่ถามกระทั่งเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเลยท่านสั่งยังไงก็อย่างนั้นเลยมีอยู่คราวหนึ่งภาวนาไปแล้วมันหลับตลอดเลยปกติสติหลวงพ่อแข็งแรงมีอยู่ช่วงช่วงปีสงหกนะ เป็นเดือนเลยนั่งสมาธิก็หลับนะคัดสมาธิเพชรเจ็บมากๆากเลยก็ยังหลับเดินจงกรมก็เดินหลับแต่ถ้าที่นอนก็นอนพอนะว่าหลับตลอดแก้ไม่ตกพอดีขึ้นไปเชียงใหม่ไปกราบหลวงปู่ซิมเล่าให้ท่านฟังท่านพูดมาประโยคเดียวว่าผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไร ปฏิบัติไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรศาเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ให้สงสัยหลวงพ่อก็เลิกสงสัยเลยหลับก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอันนี้หลวงครูบาอาจารย์ให้ท้ายเนี่ยเรายังหลับให้สบายเลยครับ <laughs> ไม่กลุ้มใจ่อก่อนโ อ, โอ้กลุ้มใจทำไมมันขาดสติขนาดนั้นภาวนาวันสองวันกนะ็ได้ เข้าใจเห็นมาที่แท้เราเดินมีปัสสนานะรวดไปเลยจเจริญปัญญารวดไปเลยจิตมันต้องการพักจิตมันต้องการพักเราก็ไม่ยอมเข้าสมาธิไม่ยอมทำสมถะเนี่ยนิสัยไม่ดีนะห้ามเอาอย่างเราทำสมถะตั้งแต่เด็กอยี่สบสองปีแล้วมันไม่ได้อะไรนะรู้สึก ไม่รู้ทําไปทําอะไรไเจอหลวงปู่ดูลูดจิตเกิดดับได้ทํามิปั ส, สนาไดไ้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วเลยดูถูกสมถะไม่ยอมทำแล ใ, ใจมันต้องการพักเหมือนก็เลยใช้วิธีหลับนั่งสมาธิเมื่อไหร่หลับเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างของพวกเรานะ เนี่ยฟังบ้างทีไรก็หลับทุกทีอันนั้นเพราะว่ากลงางวันฟุ้งซ่านมากถ้าฟุ้งซ่านมากเนี่ยเอไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติเขาจะหลับคนละแบบกันนะของหลวงพ่อไม่ฟุ้งซ่านนะกระเสริฐสติตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนะจนถึงนอนพยายามมีสติเรื่อยๆขาดสติก็เป็นช่วงสั้นๆไม่นาน ส่วนเวลาทำงานก็มีสตินะแต่ไม่ใช่สติรู้กายรู้ใจนั้นไม่ใช่สติปัฏฐาน ล, าละเวลาทำงานเนี่ยสติจดจ่อกับงานสมาธิตั้งมั่นอยู่กับงานปัญญาคิดคน้นคว้าพิจารณาเรื่องงานเป็นเรื่องโลกนี้เวลาที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยก็เจริญสติปัฏฐานทำจนเคยตัวเคยชิน อย่งางพอใจเราไหลไปปุ๊บสติจะเกิดเองเลยเนี่ยฝึกขนาดนี้นานแล้วมันยังหลับมันเป็นเรื่องแปลกเ่าดิ้นรนเนี่ยทําทไงจะไม่หลับทําไงจะไม่หลับไม่สําเร็จครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าสงสัยอะไรให้ปฏิบัติไปท่านพูดเท่านี้หลวงพ่อไม่ค้นคว้าต่อว่าทําไมถึงหลับทํำยังไงถึงจะไม่หลับไม่มีอีกต่อไปละหลับก็หลับไป วันที่ห้าสิงหาปีสองหกก็ไปกลับหลวงปู่สิมนะพอคล้อยหลังเรานะท่านก็เรียกพระอุปถากมาบอกว่าภาวนาให้ได้อย่างโยมนี้นะท่านพยากรให้บอกว่าต่อไปโยมนี้จะเป็นกำลังของพระาศาสนาท่านบอกงนี้หลวงพ่อไม่รู้หรอกท่านไม่ได้พูดให้เราฟังมีพระ ที่เคยอุปถาก์ท่านมาบอกท่านหลวงพ่ออยู่ส่วนพธิท่านลงมา mm hmm. เพาใจเราไม่ดินนะ้นครูบาอาจารย์บอกให้ทำก็ทำก็นะพ่อนาเหมือนว่าพัฒนาไปเรื่อยๆแ้่พวกเราเันชับดิน้นใจมันดิ้น บอกให้ทำอย่างนี้ก็จะทำอย่างนี้เคยมีนะ ห, หนุ่มคนหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจแล้วรู้สึกตัวบอกไม่ชอบหายใจใช้กรรมฐานอย่างอื่นได้ไหมผมจะใช้ถ้าฟ้าร้องเมื่อไหร่ผมจะรู้สึกตั ว, วฟังแล้วสลดใจมากเลยปีหนึ่งฟ้าร้องกี่ครั้งวันหนึ่งบางทีไม่ร้องเลย แล้วเมืเ่อไหร่มันจะภาวนาเป็นนะ น, นามจะรู้สึกตัวทีหนึ่งสงสัยต้องฟ้าผ่ากลางหัวแล้วที่จะรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ดื้อดื้อนะไม่ฟังพวกดื้อดื้อหลวงพ่อไม่เห็นมันเกิดได้ดีสักคนนะนะเวลาครูบาอาจารย์จะสอนบาอาจารย์ดูแล้วล่ะว่าควรทําอะไรเราจะเจริญ บางอย่างท่านสอนเนี่ยนะเราทำไปยังไม่เห็นผลตอนนี้นะใช้เวลาทั้งยี่สิบกว่าปียี่สิบสองปีถึงเข้าใจอะไรเงี้ยสิ่งที่ท่านบอกยี่สิบกว่าปีที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะพยายามรู้สภาวะธรรมให้ได้ร่างกายให้ใจออกร่างกายให้ใจเข้าก็รู้สึก แค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งที่ใช่จ้องรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะไม่ใช่จ้องเอาเป็นเอาตายแล้วพยักหน้าล้วต้องตากวางๆอ่างเนี่ยนะได้ดูเหมือนมาบ้าหน่อยเนี่ยหัวเราะรู้สึกเปล่า อย่ามารู้สึกเลยที่รู้สึกรู้สึกไม่ได้รู้สึกหรอกนะอย่ามาหลอกมันไม่ได้กินหรอกนะ <S <S นั้นมีสภาวะนะ <S <S ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกจิตใจเราสุข ก, ก็รู้สึกจิตใจเราทุกข์ก็รู้สึกจิตใจไม่ทุกข์ไม่สุข ก็รู้สึกรู้สึกไปจิตโอบก็รู้สึกจิตไม่โอบก็รู้สึกโกรธก็รู้สึกไม่โกรธก็รู้สึกนจิตหลงไปก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้นะฝึกไปเรื่อยๆหัดรู้สภาวะให้มันแม่นยำนะหัดดูบ่อยๆการที่เราดูสภาวะบ่อยๆต่อไปจิตมันจําสภาวะได้แม่นอย่างเราดูจิตโกรธเรารู้จิตโกรธเรารู้เนะย จิตมันจำสภาวะของความโกรธไดนะ้พอความโกรธเกิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะไม่มีใครทำสติให้เกิดได้นะกระทั่งพระอรหันต์ก็ทำสติให้เกิดไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตากระทั่งนิพพานก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้ สติเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้เราก็ต้องทําเหตุที่ทําให้สติเกิดเหตุที่ทําให้สติเกิดก็คือการรู้สภาวะบ่อยๆหัดรู้สภาวะบ่อยๆในอภิธรรมเขาสอนนะว่าธีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติธีระสัญญาคือการที่จําได้อย่างแม่นยำํำธีระตัวนี้ก็คนไทยชอบใช้คำว่าสะเทียน จำได้อย่างแม่นยำจริงๆงั้นเราจะจําได้แม่นเราต้องเห็นบ่อยๆเหมือนอย่างญาติพี่น้องเรานะไม่เจอกันสาสิบปีจําไม่ได้นะคนข้างบ้านเราเราไม่ชอบหน้ามันเลยแต่เห็นทุกวันจําแม่นไปเห็นมันที่ไหนก็จําได้งั้นสภาวะธรรมก็เหมือนกันเห็นบ่อยๆแล้วม่จะจําสภาวะได้พอจําสภาวะได้นะสภาวะที่เราจําได้เกิดขึ้นะ สติจะเกิดเองจะระลึกได้เฮ้ยกลัวอีกแล้วโลบอีกละวอย่างเี้มีความสุขอีกแล้วมีความทุกข์อีกแล้วความสุขดูยากกว่าความทุกข์นะราคาดูยากกว่าโทสะความสุขมันเผลอเพลินง่ายเวลาทุกข์ขยันภาวนารู้สึกไหมเวลามีความสุขมันไม่ค่อยอยากภาวนาอยากจะกะดีกระดา เวลาโทสะเกิดมันดูง่ายราคาเกิดดูยากกว่าโมหะเกิดดูยากที่สุดนะหลงดูยากที่สุดนะแม่อยหางที่หลวงพ่อชอบสอนเราหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนะี่ยดูไอ้ของที่ยากยากมันเลยเรียนตัวนี้ได้ตัวอื่นง่ายหมดเลยต้องหลงก่อนถึงจะโลภต้องหลงก่อนถึงจะโกรธได้แล้วระหว่างที่โลภระหว่างที่โกรธก็ยังหลงอยู่ ท้าเมื่อไรไม่หลงความโลภความโกรธก็จะหายไปด้วยนะเรื่องของธรรมะเรื่องธรรมดาธรรมดาะเรียนเข้าไปเยเดี๋ยวก็เข้าใจที่หลวงพ่อบอกที่พูดนี่พูดอย่างเข้มแข็งเห็นไหมไม่กลัวไม่กลัวผิดหรอกนะไม่มานั่งลำพึงลำพันอนะที่สอนที้ผิดหรอือเปล่านวะเพราะว่ามันเห็นมามนเห็นมาเองนะนะก่อนเราจะลบได้อะต้องหลงก่อน ก่อนจะโกรธได้ก็ต้องหลงก่อนระหว่างที่โลภระหว่างที่โกรธก็ยังหลงอยูนะ่เมื่อไหรไม่หลงเมื่อนั้นไม่โลภไม่โกรธนะนั้นตัวหลงเนี่ยตัวหัวโจกหลวงพ่อถึงพยายามสอนหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หัดดูสภาวะหลงไว้อนะีน้อยสติเกิดเร็วจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊ บ, ลบเลยนะหลวงพ่อทําตัวนี้ได้เพื่อแต่เป็นโยมนะจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บเนี สติมเร็วมากเลยลสมาธิมันก็เยอะเลยนะสมาธิชนิดตั้งมั่นนะไม่ใช่ชนิดพักผ่อนนะส่วนที่สมาธิชนิดพักผ่อนนะหลวงพ่อไปดูถูกมันตัวนี้ก็พลาดทําให้จิตมันต้องหาทางพักผ่อนด้วยการแอบไปหลับ น, นั่งสมาธิจิตก็แอบหลับจริงๆสมาธิสําคัญนะ สมาธิพับผ่อนนะสมาธิตั้งมัน่นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ม่ตั้งมัน่นหัดดูสภาวะนะสอนมาแต่เมื่อวานเมื่อวานสอนไปเยอะแยะเลยสภาวะหายใจออกสภาวะหายใจเข้าสภาวะยืนเดินนั่งนอนนะสภาวะเคลื่อนไหวสภาวะหยุดนิ่งนะเรียกสภาวะไปไงนะั้นอ่ะถ้าท่านอาิธรรมยังไม่ถือว่าเป็นสภาวะ รูปยืนเดินนั่งนอนเลยนเป็นรูปรูปไม่แท้เือตัวนี้เป็นรูปเคลื่อนไหวเรวิญญินยติรูป่ะตำราบอกเอาทําำนิพพสนาไม่ได้ทําไม่ได้ก็ลองทําดูตำลาว่าอย่างน่ะลองดูซิจะได้หรือไม่ได้จะลดละกิเลสได้ไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าจะไม่สอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปจะไปสอนรูปปา รูปารู ป, ปัสนาสติปัฏฐานมัต้องมีประโยชน์การหายใจออกรู้สึกใหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกไปธาตุาไหลเข้าธาตุไหลออกรู้สึกก็ได้หายใจนะี่ยไม่ใช่ปิดเพ่งลมหายใจนะรู้สึกถึงธาตุที่ไหลเข้าไปรู้สึกถึงธาตุที่ไหลออกมาเอย่างนี้ก็ได้ลองดูแล้วดูว่าจะได้อะไรไหมไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง ในตำราส่วนหนึ่งนะเรามาดูพระพุทธเจ้าสอนกายานุปัสสนาไม่สอนรู ป, ปานุปัสสนาทำไมไม่สอนอะยากไปนะดูกายไปแล้ววันหนึ่งก็เห็นรูปนะแลวก็กายนี่มันก็ประกอบขึ้นมาจากรูปนั่นแหละเมื่อวานสอนไม่เยอะนะดูเวทนาสามอย่างมีความสุข มีความทุกข์ในกายมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆในใจในใจมีเฉยๆด้วยใจสอนให้ดูกิเลสกุศลอกุศลมีราคาไม่มีราคามีโทสะไม่มีโทสะเมื่อวานสอนเยอะวันนี้ถือว่าเมื่อวานได้ไปซ้อมมาแล้ววันนี้สอนยากขึ้นจิตหลงเรารู้จิตหลงคือจิตมีโมหะ ชนิดอุทัจจะเป็นโมหะชนิดอุทัศ จ, จะจิตหลงตัวนี้ตั ว, เ, ตวเหมือนกับไม่สุภาพนะเป็นตัวโคตรพ่อโคตรแม่ของกิเลสตัวสำคัญตัวหนึ่งเลยตัวโมหะเนี่ยงั้วเราฝึกตัวเองมถ้าชนะหัวหน้ามันลูกน้องมันไม่มีนายาะแล้วถ้าชนะโมหะได้นะราคาโทรศัไม่มีความหมาย แล้วหัวหน้าโมหายังมีอีกนะโมหามีหลายเกร็ดพุ้งสั้นนี่เป็นโมหะกระจกแค่นี้เราก็บอกแย่แล้วใช่ไหมหัวหน้าโมหะจริงๆยังมีอีกนะคือตัววิชาหัวหน้าโมหะคือตัววิชาเป็นโมหะจะเป็นโมหะใหญ่เป็นความความโง่ความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตสีส่วนโมหายเนี่ยมันหลงลืมตัวเอง จิตฟุ้งซ่านไปพอฟุ้งซ่านมันก็ลืมกายลืมใจของตัวเองทําสติประฐานไม่ได้แล้วเวลาฟุ้งซ่านก็หนีไปคิดเป็นหลักทีก็หนีไปดูอย่างขับรถอยู่รถชนกันใช่ไหมเราก็ชะโงกดูขณะนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจไปดูรถชนคนข้างบ้านเขาทะเลาะ ก, กันผัวเมียเขาทะเลาะ ก, กันเราก็สนใจ นใจเขาเปิดยูทู e หลวงพ่อได้ยินเสียงแวววๆไม่สนใจเขาทะเลาะ ก, กันนะอยากได้หูทิพย์ฝึกใหญ่นะ <c oughs> เนี่ยตอนที่ตั้งใจฟังใช่ไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะเ่ตอนที่มันไปหลงดูก็ลืมตัวเองหลงฟังก็ลืมตัวเองหลงดมกลิน่นหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางร่างกาย หลงความคิดนึกทางใจมันก็จะลืมตัวเองอย่างบางคนอยากダイエตอยากダイエตนะแตจะกินอาหารน้อยน้อยแต่ขอกินที่มันอร่อยถูกใจไหนไหนอกินนิดเดีย ว, แ ล, วแล้วก็กินที่มันอร่อยๆหน่อยกาจะกินซื้อมาได้จานหนึ่งเขาไม่ขายใช่ไหมเครื่องจานมาขอข้าวเครื่องจานราดไข่พะโลมาด้วยนะอะไรเงี้ย เขาไม่ขายเน ihr? ี่ยก็ขายมาทั้งจานจะได้เหอดกินเครื่องจานะเพลออีกทีนะไปเอามาอีกสองจานแล้วใชไหมเพราะขณะนั้นมันลุ่มหลงในรถมันเมามันอยู่ในรถมันก็ลืมกายลืมใจลืมกระทั่งความตั้งใจจะไดเอดใครเคยไดเหอดบ้างยากไหมยากพระเจ้า ประเสริฐโกศลคนไทยเรียกประเสริฐที่โกศลที่จริงต้องเรียกโกศลคนไทยชอบตัดไมหาอากาศทิ้งพระพราอนันต์ก็เป็นรอ น, นุ์ประเสริฐที่โกศนก็เป็นโกศลแก้นโกศลที่จริงแกล้โกศลละประเสริฐที่โกศลเนี่ยชอบรับประทาน เป็นกษัตริย์เนี่ยมีให้กินเยอะกินจนเดินไม่ไหวนะก็ไปเฝ้าพระพุเจ้าไม่ได้ไปถามธรรมะนะธรรมะทำไงจะไม่อ้วนทนเฮทำไงจะไดเอดไดนะ้หวังว่าจะไดเอดทีไรนะมันลืมกินทุกทีเลยนะพระพุทธเจ้านะท่านก็บอกเรียดรู้สึกจะหลานชายหรืออะไรของเจ้าเปรตทีนะหลวงพ่อจาฐานะไม่ได้นะเรียกให้คนหนุ่มคนหนึ่งมา บอกจะสอนคาถาคาถาสนับสนุนการไต่เอ็ดให้แล้วพอเวลาพระเจ้าพระเศษที่โกศลเนี่ยเสวย อ, อาหารไปพอเริ่มเสวยให้ให้ให้กินไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ให้ท่องคาถาเนี้ยให้เขาได้ยินให้พระเจ้าพระเศษที่โกศลได้ยินคาถานี้ก็เป็นเรื่องโทษของความอ้วนโทษของการกินจุ มันไม่ดีอย่างนั้นนี้เป็นวิทยาศาสตร์มากนะที่พระเจ้าสอนเนี่ยพอพระเจยาประสิทิ์ที่โคศนเสวยอย่างเมามันเขาก็เริ่มสวดคาถานี้ให้ได้ยินกินไม่ลงนะกินไม่ลงสติกลับมาเลยได้ยินแล้วเร า, เราต้องการหุ่นดีๆนะนี่ขี่ช้างขี่ม้าได้สบายนี่ขี่ม้าม้าก็โยนลงไปติดพื้นขี่ช้างช้าก็ลังแอนเนยมันก็ไม่ไหว อยากเท่อยากแข็งแรงขึ้นมาอีกก็น้ําหนักลดลงพอน้าหนักลดลงไปฟาพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธองค์เนี่ยทำประโยชน์ให้ข้าพระองค์มากเหลือเกินมาอยู่ในแว่นแกล น, นี่นะทำให้แว่นแก้ น, นี้สงบก็ทั้งส่วนตัวนะส่วนตัวก็มีความสุขมากขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็มีประโยชน์มีความสุขนี่ทำไมพวกเราไดเอทไม่ได้อะ เพราะเราไม่มีคาถาลองไปอ่านที่หมอเขียน น, นะแต่หมอก็ได้เอนไม่ลงหรอกนะเชื่อสิยกเว้นที่หมอผอมโดยธรรมชาตินะหมอเองก็ตุยนุยไปตามๆกันเลเหนื่อยเราไม่มีเครื่องเตือนใจงั้นเวลากินก็เมามมนกับการกิ น, น, นเวลาดูซีรีส์ไหมดูซะผอมเลยตาแดงเลยอดหลับอดนอน ไม่ดูได้เมามันในการดนะูหลวงพ่อกระเป็นนะ่ก่อนขนาดว่าสติดีนะพลาดพลั้งไปอ่านเพพระ อ, อุมาเขานะเรียกว่าพลาดพลั้งจริงจริงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยนะต้องอ่านไปแล้วโอยต้องอ่านมาละเล่มนะมันมีทั้งสี่สิบแปดเล่มเนะ่นะเล่มใหญ่ๆอย่างเงี้ย อ, อนนะหลับไปนะตื่นขึ้นมา เนี่ยสติสมาธิแตกกระจายเลยแพ้ตาพนมเทียนอยู่คนเดียวนี่แหละคนอื่นไม่แพ้เลยก็ยังอยู่ไหมไม่รู้อยู่อายุมากแล้วละอันนั้นเมามันใช่ในการอ่านหนังสือพวกเราดูซิตัวเองเมามันในการทำอะไรบ้างเมามันในการปฏิบัติมีไหม มุยตื่นขึ้นมาปุ๊บอ๊ะรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นนั่งหลวงพ่อทำนะตอนเป็นโยมนอนหลับอยู่นี่กินน้ําเยอะๆอะไรกลางคืนตื่นรู้สึกตัวเรว็วชักชั่วโมงกว่ า, วาก็ตื่นแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยไปฉี่กินน้ํำอีกแล้วก็นั่งสมาธิ ถ้ามันยังง่วงอยางมันเบลอมันซึมโมหะครอบกบาเลเราเนี่ยไม่นอนตั้งใจอย่างนี้เลยนะวันแรกเนี่ยนะเดียก็กิดทาง น, น้นกวิดทางนี้ไปนะวันหลังเนี่ยพอตื่นปุ๊บนี่นะจิตนี่สว่างโปรงเลยพอนะสว่างเราก็ไปฉี่ไปกินน้ำนอนได้แล้วสว่างแล้วนะใจสว่างสไวจิเลตมันกลัว กิเลสมันกลัวเราจะภาวนาโต้รุม่มเนี่ยมันก็เลยพาให้เราสว่างสบายสบายไม่กล้ามาลบกวนเราเราก็นอนสบายไปหลังก็รู้ทันหลอกนี่ว่า <c oughs> หลอกไม่ให้เราขยันก็นต้องสู้กับมันกิเลสมันมารยาเยอะข้ออ้างเยอะเหตุผลเยอะเหตุผลบางทีฟังดูดีๆนะนันอธิบายได้ดีมากเลย อย่างเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมเยอะๆมันบอกนี่ทำด้วยความโลภนะทำทุ่มเทอย่างเงี้ยกายเ็ลําบากใจเขาลาบากนี่พลาดไปสู่อัตตากิลมฐานุโยคมันเทศให้ฟังนะแหมัน <c oughs> แสมจริงหมหลอกอ เ, รอเรามอหมแหมแหมแหมแหมแหลอกมิเมแเนแ่ยไม่มีจมาไวแเลยนะแมีหแต่กิเลหหลอกมแามะอันเนี้ยพูดแตมแหมแหมแหมแหมแหมแหมอหมแมแหมแหมแหม งั้นหัดรู้สภาวะนะโดยเฉพาะสภาวะหลงเนี่ยหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดหลงไปกินอันนี้ก็ไม่มากนะมีเวลากินแต่บางคนก็กินบ่อยนะเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินไปเรื่อยๆพวกนกนะพวกนกนกแคกินแล้วถ้าไปอื่นหน่อยแล้วก็มากินใหม่ไปอื่นอีกนะที่กินไปอื๋อไปนะ เป็นเด็กไรชานนะเรากินเป็นเวลาตอนเป็นโยมหลวงพ่อก็กินสามครั้งไม่เคยอดข้าวเย็นเลยตอนเป็นโยมเนี่ยไม่เคยถือศีลแปดเลยนะถือแต่ศีลห้าแล้วตอนจะมาบวชเนี่ยยังนึกหน่อยว่าเราไม่เคยอดข้าวเย็นเลยเนี่ยมาบวชมันจะหิวไหมว่ากังวลเหมือนกันนะกลัวโรคกระเพาะกิน ปรากฏว่าพอใส่ผ้าเหลืองเข้าไปเนี่ยไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวเย็นนะหิวแต่ข้าวเช้าอย่างตอนเนี้ยพระหิวคระัะอาหารมื้อสุดท้ายยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนอย่างเงี้ยก็หิวอะข้าวเย็นมันไม่หิวนะมันรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้กินละพอมันรู้ตัวใจมันยอมรับว่ามันไม่ได้กินแล้วนะมันไม่หิวแล้วแปลกนี่นะอยู่ที่ใจ อย่างเป็นโยมถือศีลแปดลำบากถือยากถ้าถือทุกวันนะโรกระพาะกินหนิ่งทำงานหนักใช้พลังงานเยอะแล้วขาดอาหารแต่โยมพลาดกินข้าวเย็นเยอะเกินข้าวเช้ากินน้อยกินอะไรนะคล้ๆอาหารนกอะ่ะเป็นกับเรียกอะไรวะเออเรียกเป็นถั่ว เอามาใส่นมใส่อะไรกินกินแค่เนี้ยอาหารเช้าเนี่ยร่างกายต้องการพลังงานไปทำงานทั้งวันเลยนะอาหารเย็นเนี่ยหมูสวาปลามื้อใหญ่อยู่ตอนเย็นกินเข้าไปแล้วก็ไม่ย่อยกินแล้วไม่ได้ใช้พลังพระเนี้ยมาบวชใหม่ๆพร้อมทุกงอนะเนี้ยลดไปเก้ากิโลแล้วตอนหลวงพ่อบวชนะลดไปสิบกว่าโล แต่ต้นทุนหลวงพ่อเยอะนะสิบบาทโลแต่ไปดูรูปตอนนั้นนะทั้งผอมทั้งดำเลยนะเกลียมเลยทำไมดำปีนะเดินเดินอยู่กลางนาส่วนโพ่อตอนไปอยู่ที่แรกมันคือท้องนาในนี้มีต้นไม้สักต้นหนย่นะที่เราก็ต้องเดินก็สู้เอานะอย่าปล่อยให้ใจหลงพยายาม รู้ทันหลงไปดูรู้หลงไปฟังรู้หลงไปดมกลิ่นก็รู้นะหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายนะอย่างผู้หญิงเนยะพอแฟนเรากลับบ้านนะล้วแอบดมกลิ่นตามเสื้อนะมันมีกลิ่นหมาตัวเมียมาติดหรือเปล่าเ mm. นี่ยนะดมตอนที่ดมเนี่ยลืมตัวเองใช่ไหมว่ากาลังทําตัวเหมือนหมานะเหมือนหมาตามสนามบินนะเท่หน่อยนะ มาตามสนามบินใครเคยเห็นไหมเมืองนอกมันจะมีหมาอยู่ตามสนามบินไว้ดมเวลาดมก็หลงดมเวลาฟังก็หลงฟังเวลาคิดก็หลงจิตไปรู้ทันใจที่หลงตัวสำคัญที่สุดถ้าเก่งแล้วนะจะรู้จักหลงจิตหลงคิดเนี่ยละเอียด หลงดูเนี่ยบางทีหลงดูไปตั้งนานแต่หลงดูได้ก็เพราะหลงคิดถตัดต้นต่อมันตรงหลงคิดได้ก็ไม่หลงดูหรอกถ้าไม่หลงดูมันอยากดูทําไมมันอยากดูมันหลงคิดเฮ้ยอะไรวะนะตรงนี้อะไรเนี่ยเขามุงกันสังเกตไหมถ้ามีคนมุงเราจะอยากดูทาไมอยากดูมันดูยากนะ่าเหนื่อย ถ้ามีให้ดูอย่างนี้นั่งหน้าสลอนอ่งนี้นะไม่อยากดูไปฝึกตัวเองนะรู้ทันใจที่มันหลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดสามตัวก่อนจะได้แล้วเวลาฝึกในรูปแบบคอยดูหลงไปที่ร่างกายก็หลงไปคิดเวลาทำในรูปแบบอย่างนี้เรานั่งสมาธิอยู่ เดี๋ยวจิตก็ลงไปอยู่ที่ลมหายใจลงไปอยู่ที่ท้องลงไปอยู่ที่เท้ายังไปเดินนะหรือก็หลงไปคิดงนเวลาทำในรูปแบบนี้จะมีหลงหลักอยู่สองตัวนะลงไปที่กายนะไปรู้สึกที่กายก็ลงไปคิดที่นั่งอยู่รู้สึกคันยิบยิ บ, ยบตัวอะไรมากัดเรานะไปดูไม่มีนะไม่มีนั่งนั่งไปอาคันอีกแล้วคัน ท, น, นที่นู่นที่นี่ยุบยิบยิเปย์ปหมดเลยนะอันนี้เป็นเศษกรรมของปาน า, าติบิ เศษกรรมของปธิบาตเศษนะตัวกรรมหลักๆนะั่นรับไปแล้วเหลือเศษๆเล็กๆ เ, เวลานั่งสมาธิมันจะกวนจะขันขันยิบยับยิบยับนมาเพราะฉะนั้นก่อนนั่งก็แผ่เมตตาก่อนที่ฐานจิตแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขนะอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอะไรอย่างี้แผ่ให้สบายใจ พอแผ่สบายใจแ ล, แล้วทำสมาธิเดินจงกรมอะไรไปนะทําเสร็จแล้วก็แผ่ส่วนบุญเดี๋ยรียบแผ่ส่วนบุญก่อนนะเพยังไม่มีบุญนะ่นั่งสมาธิเดินจงกรมมีบุญแล้วก็แผ่ส่วนบุญไปนะต่อไปพวกนี้มันรู้นะรอเขาเดี๋ยวเขาทําสมาธิเสร็จเดี๋วเขาก็แจกนะไม่มาข่วนนะงั้นจะกวนยุกยิกยุกยิบเวลา ทำในรูปแบบมันก็กวนที่กายขันน้นขันนี่อะไรอย่างนี้ยแล้วก็หลงไปคิดมีสองอันหลงสองอันหลักๆหลงทัางกายกับหลงไปคิดแล้วก็ถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยหลงหลักๆสามตัวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดสามตัวนี้เป็นตัวหลักตอนกินข้าวก็มีหลงไปกินหลงไปดมกลิ่นหลงไปอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างไม่มาก งั้นฝึกไอ้ตัวที่มีบ่อยๆไม่ใช่ฝาลองทีรู้ทิ้งไม่ได้กินอาไปกินข้าวตอนไปกินข้าวดูสิหลงมโหคนอื่นไหม